ควรปุถุชนทั้งหลายจะว่าจะบูชาพระพุทธดีกานี้ตรัสแน่นอนกรณีปุนาจะครั้นต่อมาเล่าสมเด็จพระพิชิตมานมุนีเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่ากฤรรหัตได้พระโสดาเป็นผู้ละบาปกรรมได้เสร็จสิ้นกระทํากาละกิริยาไม่รู้ไปอบายทั้งสี่คือมั่นในคุณพระเสียรัตนไตร